วันนี้ท่านทั้งหลายก็มีเวลาว่างจึงแบ่งเวลาเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมกันการฟังเทศฟังธรรมเป็นการศึกษาเรื่องราวของตัวเราเองถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะไม่ฟังเทศฟังธรรม เราจะไม่รู้จักเรื่องของเราไม่รู้จักตัวเราว่าเราเป็นใครเป็นอะไรกันแน่คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะจะคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราแต่ถ้าได้ศึกษาธรรมะแล้วก็จะได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิด เป็นผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหรือเป็นผู้รับใช้ในการที่จะหาความสุขต่างๆให้กับเราเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้เราได้เสพได้สัมผัส เพราะเวลาที่เราได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกิรนที่เราชอบก็ทำให้เกิดความสุขขึ้นมาแต่เนื่องจากผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเราก็เลยไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราก็ไปคิดว่าผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่นทางการแพทย์เขาก็ว่าอยู่ที่สมองสมองเป็นผู้สั่งการต่างๆแต่นี่เป็นความเข้าใจผิดเยการที่จะรู้จักร่างกายรู้จักเราผู้รู้ผู้คิดนี่ผู้ที่จะรู้ได้นี่จะเป็นจะต้องมี ตาในเรียกว่าตาใจถึงจะเห็นตัวใจได้ใจนี่คือผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มาติดกับร่างกายมาเกาะติดกับร่างกายเปรียบเหมือนคนขี่ม้ากับมา้าคนขี่ม้ามาขีมา่ม้าเราก็สั่งให้ม้าวิ่งไปตามทิศต่างๆ ทำอะไรตามที่คนขี่ม้าต้องการให้ทําเพียงแต่ว่าคนขี่ม้าไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนก็เลยคิดว่าม้านี่เป็นตัวสั่งการเองตัวสั่งการให้ตอนวิ่งไปทางนู้นวิ่งมาทางนี้แต่ความจริงเอมีคนขี่ม้าผู้สรรั่ง ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนมา้าจิตใจก็เป็นเหมือนคนขี่มา้าแต่จิตใจไม่มีรูปร่างจึงมองไม่เห็นตัวจิตใจก็เลยไปคิดว่าจิตใจกับร่างกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เลยไปคิดว่าพอเวลาร่างกายตายไป จิตใจก็ตายไปกับร่างกายก็เลยไม่เห็นว่าจะมีอะไรตามมาหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วสวรรค์ใครจะไปสวรรค์กันนรกใครจะไปนรกกันในเมื่อผู้ที่เราเห็นว่า จะไปในโลกไปสวรรค์นั้นตายตายแล้วก็กลายเป็นดินน้ำนมไฟไปถ้าเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าขี้ทานไปจึงทำให้ลังเลสงสัยเรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของผลของบุญและผลของบาปว่ามีจริงหรือเปล่า แล้วอยู่ที่ตรงไหนถ้าสวรรค์อยู่บนฟ้าสมัยนี้เขาก็มีจรวดขึ้นไปสำรวจบนท้องฟ้าก็ไม่มีไม่เห็นมีสวรรค์มีแต่ดวงดาวต่างๆถ้าอยู่ในใต้ใต้ดินก็มีการเจาะขุดลงไปก็เจอแต่น้ำมันหรือถ้าทำเหมืองแรก กดลึกลงไปในเหมืองแร่ก็เจอแร่ชนิดต่างๆแต่เมืองนรกเมืองสวรรค์ที่คนที่ตายไปแล้วไปอยู่กันนี้ไม่เห็นไม่มีไม่เจอมันก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่นี่ไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องที่ตายไปแล้ว ถ้าทำบุญก็จะได้ไปสวรรค์ทำบาปก็จะได้ไปนรกก็จะไม่เชื่อกันก็เลยทำให้ไม่มีความกลัวบาปไม่มีความยินดีที่จะทำบุญเพราะการทำบุญนี้มีแต่ขาดทุนเสียเงินเสียทองและเสียไปแล้วไม่ได้อะไรรู้ทาไปทาไมเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าเลย เอาเงินไปซื้อของที่เราอยากได้ไม่ดีกว่ายิ่งสมัยนี้มีข้าวของให้ซื้อเยอะแยะไปหมดมีรถราคาแพงๆมีบ้านราคาแพงๆงมีเครื่องประดับราคาแพงๆงเรื่องอเวลาไปทําบุญทำไมทําแล้วไม่ได้อะไรก็เอาไปเอาไปซื้อของที่เราอยากได้กันดีกว่า พอตายไปเราก็เราก็ไม่ได้ใช้เงินถ้าเราไม่ใช้ตอนนี้มีเงินแล้วไม่ใช้เงินมันก็ไม่รู้มีไว้ทำไมใช้เงินไปเวลาตายหมดก็จะได้หมดกันพอตายแล้วก็เอาเงินไปไม่ได้แล้วก็ตายแล้วก็ไม่รู้จะไปต่อหรือไม่ เพาถ้าไปเรียนตามโรงเรียนต่างๆทางโลกไม่มีใครรู้ระดับมหาวิวทยาลัยมหาลับมาวิทยาลัย อ, อันดับหนึ่งของโลกเขาก็ไม่สอนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เขาก็สอนว่าตายแล้วศูนยตายแล้วร่างกายก็ไปสู่สุสานลงดินไปอยู่ในดินหรือถ้า ใบเผาก็กลายเป็นขีดเท่าไปก็มีเท่านั้นชีวิตเขาก็คิดเท่านั้นเองอยั้นจะทําอะไรก็ต้องทําตอนที่มีชีวิตอยู่นี่อยากจะมีความสุขก็ต้องทําตอนที่มีชีวิตอยู่จะไปเชื่อเรื่องลมๆแรงๆได้ยังไงว่าตายไปแล้วยังจะไปขึ้นสวรรค์ไปมีความสุขแล้วบาปเขาก็ไม่กลัว ในเมื่อทำแล้วมันไม่มีเขาไม่เห็นว่านารกมีอยู่ตรงไหนเขาก็ไม่กลัวบาปเพียงแต่ว่าอย่างมากก็ถูกจับเท่านั้นเองถ้าทำผิดกฎหมายแต่ถ้าทำแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครมาจับเขาไม่ติดคุกติดตารางคนจะไม่ค่อยกลัวเรื่องการทำบาปเท่าไหร่โดยเฉพาะบาปที่ไ ม, ไม่ผิดกฎหมาย สมัยนี้มีบาปที่ผิดกฎหมายกับบาปที่ไม่ผิดกฎหมายเช่นฆ่าสัตว์นี่ไม่ผิดกฎหมายฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายนี่ไม่ผิดกฎหมายปมาพฤติผิดประเวณีเขาก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมายทำไมดื่มสุรายาเมาก็ไม่ผิดกฎหมายก็เลยทำบาปได้สบาย นี่เป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จักตัวผู้กระทำตัวที่เป็นตัวร่องหนนี่คือผู้รู้ผู้คิดเนี่ยเวลาอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจเวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณตัวนี้แหละที่ไม่ตายไปกับร่างกายเพราะมันไม่มีอะไรจะทำให้มันตาย มันไม่ได้ประกอบด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้มันประกอบมาจากธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้นำธาตุดมธาตุไฟเวลามันมารวมกัน <ๆ S 2> มันก็เป็นต้นไม้เป็นร่างกายแล้วเดี๋ยวเวลามันแยกตัวกันมันก็ต้นไม้ก็หายไปเอร่างกายก็หายไป ร่างกายเรามีธาตุสีดินน้ำลมไฟมารวมกันลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปก็เป็นธาตุลมน้ำต่างๆที่เราเดิมเข้าไปก็เป็นธาตุน้ําของแข็งเช่นข้าวต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปก็เป็นธาตุดินแล้วธาตุไฟก็คือความร้อนที่เราได้จากแสงแดดนี่จากดวงอาทิตย์นี่ แล้วมันมีปริมาณเหมาะสมมันก็ทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตขึ้นมาได้แล้วมันก็ไปถึงขีดที่มันจะหยุดจเจริญเติบโตแล้วมันก็จะเริ่มนับถอยหลังจะเริ่มจากการมารวมตัวกันก็จะเริ่มแยกตัวออกจากกัน ธาตุดินมันก็อยากจะกลับไปรวมกับธาตุดินธาตุน้ําก็อยากจะกลับไปรวมกับธาตุน้ำธาตุนมธาตุไฟก็อยากจะกลับไปอยู่กับธาตุของเขาก็เลยเกิดการเสื่อมของร่างกายขึ้นมาตามลําดับเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอาการพิการอาภาษต่างๆทางร่างกายเพราะธาตุมันไม่สมบูรณ์ธาตุสีไม่สมบูรณ์ธาตเริ่ม ถ้าเริ่มแยกตัวออกจากกันนล้วใ น, นที่สุดมันก็ถึงขีดที่มันหยุดทำงานลมก็ไม่เข้ามาเติมเติมลมไม่ได้เติมน้ำไม่ได้เติมดินเติมไฟไม่ได้ตอนนั้นมันก็มีแต่จะแยกออกจากกันโดยถ่ายเดียวเวลาร่างกายหยุดทำงานสิ่งแรกที่ไปก่อนก็คืออะไร้าลมเนี่ย คือธาตุลมไม่เข้ามีแต่ออกเนธาตุที่สองที่ไปก็คือธาตุไฟความร้อนในร่างกายหายไปคนตายไปลองไปจับจับตัวดูเลยคนตายคนเป็นนี่อุณหภูมิไม่เท่ากันอุณหภูมิของร่างกายไม่เท่ากันถ้าทิ้งไปเรื่อยๆต่อไปร่างกายน้ำต่างๆที่มีในร่างกายมันก็จะไหลออกมาตามทวารต่างๆ แล้วมันก็จะเน่าเปื่อยเอจนต่อไปมันก็แห้งกรอบเหนือแต่ธาตุดิน น, นนี่คือร่างกายเป็นอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเมื่อมันมาจากดินน้ําลมไฟมันก็จะต้องแยกกลับคืนสู่ดินน้ําลมไฟไปอแต่ธาตุรู้คือใจนี้มันไม่ได้แยกตัวมันไม่มีอะไรอ ธาตุรู้มันเหมือนธาตุน้ำเนี่ยธาตุน้ำมันก็เป็นน้ำอยู่ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนมันก็เป็นธาตุน้ำธาตุลมมันก็เป็นธาตุลมของมันธาตุไฟมันก็เป็นธาตุไฟพวกนี้ไม่ไม่ม um. ีวันหมดธาตุดินก็มีอยู่อย่างนั้นของมันธาตุลมก็มีอยู่อย่างนั้นของมันธาตุไฟมันธาตุน้ำเนี่ยมันอยู่ของมันอย่างนั้น เพียงแต่ว่าเวลามันมารวมตัวกันมันไปยมาทำให้มีสิ่งแปลกๆขึ้นมาในโลกนี้นะมีต้นไม้มีร่างกายของมนุษย์ของสัตว์เดรัจฉานมีอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นการเกิดขึ้นจากการรวมตัวของธาตุสีเดี๋ยวมันต้องมีการแยกตัวออกจากกันนี่เป็นธรรมชาติของธาตุเนี่ยที่มันมารวมกันก็เพราะว่ามัน มีอุปรากฏการณ์หรือมีการเคลื่อนไหวเช่นเห็นไม้มน้ำธรรมดามันอยู่ในทะเลแตพ่พอมันโดนแสงแดดมากๆมันก็ร้อนมันก็ละเหยขึ้นไปเป็นเมฆพอมันเป็นเมฆมันถูกลมพัดมาขึ้นมาทางดินทางแผ่นดินพอมาถึงแผ่นดินมันก็ตกลงมาเป็นน้ำน้ำก็เลยมารวมกับดินบนแผ่นดิน แล้วก็รวมกับลมที่มีอยู่ทั่วไปกับความร้อนที่มีอยู่ทั่วไปมันก็เลยทำให้เกิดมีต้นไม้ใบหญ้ามีอะไรต่างๆขึ้นมาถ้าที่ไหนไม่มีธาตุสี่ที่นั่นก็จะไม่มีต้นไม้ใบหญ้าเช่นที่ทะเลทรายมีแต่ธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแต่ไม่มีธาตุน้ำไม่มีฝนตกเมื่อไม่มีฝนตกก็ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าปรากฏขึ้นมา หรือถ้าไปอยู่ที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันก็ไม่มีต้นไม้ใบยาวเพราะอากาศมันหนาวมันไม่มีธาตุไฟมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้แต่ที่ไหนที่มีอุณหภูมิที่มีทาาสีอยู่ในระดับที่เหมาะสมสมควรมันก็จะมีสิ่งต่างๆปรากฏขึ้นมานี่ แล้วสิ่งต่างๆที่เราผลิตขึ้นมานี่เราก็อาศัยความสามารถที่เราจะไปดึงธาตุทั้งสี่มารวมกันมาทํามาทําสินค้าชนิดต่างๆมันก็มันก็เป็นการเอาธาตุสีมารวมกันแล้วก็ทําให้เกิดเป็นเครื่องไม้ใช้สอยต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆอันนี้ใช้ไปแล้วเดี๋ยวสักวันมันก็เสื่อมมันก็พังไป น, นี้คือเรื่องของร่างกายของพวกเราเนี่ยเป็นเหมือนอสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องใช้ไม่สอยดีๆนี่ที่ใจผู้รู้ผู้คิดต้องการเพราะว่าใจถ้ารู้นี้มีความอยากมีความสุขจากการได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสเนีย รูปเสียงกลิ่นรสภาษาะเราเรียกว่ากามะคุณห้านะีกามะคุณห้าเวลาเราพูดว่าคำว่าเสพกามก็หมายถึงเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี่เองะการจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้ก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายนะนะถ้าไม่มีตาจะไปดูรูปได้อย่างไรไม่มีหูจะไปฟังเสียงได้อย่างไร เนี่ยถ้ารู้ที่อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็เลยต้องไปหาเครื่องมือมาต้องไปหาตาหูจมูกลิ้นกายพวกที่มีตาหูจ้ตาหูจมูกลิ้นกายก็มีอยู่สองพวกพวกมนุษย์กับพวกสัตว์เดรัจฉานพวกที่ไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเพราอาทําบาปเอาไว้ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปได้รับร่างกายของมนุษย์นผู้ที่ ไม่มีบาปไม่มีบุญเมื่อบาปกับบุญมีกําลังเท่ากันเท่านั้นถึงจะไปรับร่างกายของมนุษย์ได้เพอได้ร่างกายแล้วไม่ว่าจะเป็นร่างกายของสัตว์เดรัจฉานหรือของมนุษย์ก็ เ, เสพรูปเสียงกยิดรอดเหมือนกันะสัตว์เดรัจฉานเขาก็าเสบกามเหมือนมนุษย์นี่ต่างกันวิธีที่เขาเสพต่างกับมนุษย์นคือสัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่มีกฎกติกา เขาไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปเขาเสพตามความอยากของเขาเมื่อเขาอยากได้อะไรเขาก็จะเอามาจะไปทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนเขาก็ไม่สนใจแต่เป็นมนุษย์นี่มีระดับความรู้ที่จะเลือกที่จะแยกแยะได้ว่าการเสพแบบทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนกับการเสพ แล้วไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็มีแล้วผลก็ต่างกันการไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมันก็ทำให้ใจของตอนเองเดือดร้อนทีหลังก็จะรู้จักเลือกว่าถ้าไม่อยากจะมีความวุ่นวายใจตามมาก็อย่าไปเสพ ร, รูปเสียงกลิก่นโดยวิธีที่ไปทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นก็ไม่ทำบาปนั่นเอง แต่พวกที่ไม่มีจิตสำนึกไม่มีความสามารถที่จะแยกแยะได้ก็ไม่สนใจก็จะอยู่ในระดับแบบพวกสัตว์เดรัจฉานก็อยากจะเสบรูปเสียงกินลสตามความอยากของตนไม่ว่าจะไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายหรือไม่ก็ไม่สนใจขอให้ได้เสบตามที่ต้องการเท่านั้นเราก็เลยมีมนุษย์สองพวกด้วยกันพวกที่เสบกามโดยไม่ทาบา กับพวกที่เสพการด้วยการทําบาปอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่จิตสํานึกของแต่ละแต่ละจิตแต่ละดวงที่มาเกิดจิตสํานึกนี้ก็เกิดจากการได้เรียนรู้ในอดีตชาติมาเพราะได้มาเกิดหลายพบหลายชัหลายครั้งด้วยกันได้พบกับปะกับคนที่รู้ไม่รู้ไปพบคนที่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปเขาก็จะสอนเรื่องบุญเรื่องบาป ให้แล้วถ้าทำตามเขามันก็ติดเป็นนิสัยเข้ามาในใจอันนี้คือเรื่องของใจเรื่องของใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นธาตุรู้ไม่สามารถแยกตัวออกจากกันได้จึงไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันดับเหมือนกับธาตุน้ำเน้น้ำมันไม่สามารถแยกตัวออของมันออกจาก ตัวมันเองได้เพราะมันมีธาตุเดียวมันไม่สามารถแยกเป็นครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งมันก็ยังเป็นน้ำอยู่เหมือนกันลมก็แยกมันมันก็เป็นลมอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันถ้ารู้จึงไม่มีวันตายเนี่ยธาตุทั้งหกเนี่ยที่มีอยู่ในอยู่ในโลกเนี่ยมีอยู่ธาตุทั้งหกธาตุดินธ า, าตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ แล้วก็ธาตุรู้คือใจหรือดวงเวิญญาณิแล้วก็มีอีกธาตุหนึ่งเรียกว่าอากาศอาวกา ศ, ากาศสธาติเนี่ยคือความว่างนี่แล้วทําไมต้องมีความว่างถ้าไม่มีความว่างมันก็ไม่มีที่ตั้งให้กับธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟธาตุลมนี่ต้องมีที่ ท, ที่ที่ตั้งที่อยู่เหมือนกับ เวลาเราสร้างบ้านขึ้นมาเราก็ต้องมีที่เก็บของที่เก็บของนี้ก็คืออวกาศธาตุอวกาศธาตุก็คือที่เก็บของธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟนี่เองแต่ถ้าตรู้นี้ไม่ต้องมีอกวกาศธาตุไม่ได้อยู่ในอวกาศธาตุธาตุรู้นี้ไม่ต้องมีอไม่ต้องเหมือนไม่เป็นเหมือนดินน้ําลมไฟ ธาตุรู้นี่อยู่อีกโลกหนึ่งเรียกว่าโลกทิพย์เนี่ยอันนี้คือเรื่องของเราเราคือธาตุรู้พูดง่ายๆเราคือธาตุรู้เราเป็นผู้รู้สึกนึกคิดเนี่ยพอมีความรู้สึกนึกคิดคิดอยากจะได้อะไรก็ไปหามันอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็ไปหาร่างกายไปหาตาหูจมูกนิ้นกายกัน พอได้ตาหูจมูกลิ้นกายก็สั่งให้ตาหูจมูกลิ้นกายไปหารูปเสียงกดลิ่นรสมาเสพกันวันนี้เสพหรือยังรูปเสียงกดลดิ่นรสอยากดูอะไรหรือยังอยากฟังอะไรหรือยังอยากจะฟังเสียงใครอยู่ไกลก็โทรไปโทรไปหากันอยากจะ ด, ดูรูปใครก็เปิดดูรูปเขาหรือติดต่อกันทางโทร โทรศัพท์เดี๋ยวนี้สามารถเห็นหน้าเห็นตากันได้เนี่ยผู้ผู้รู้ผู้คิดเนี่ยเป็นผู้อยากแล้วก็สั่งมาที่ร่างกายให้จัดการไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่ต้องการพอได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสอาการเหงาอาการว้าเวหวอาการจิดชืดก็หายไปชีวิตรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาชั่วระยะหนึ่งชั่วขณะที่ได้เสก พอผ่านไปมันก็กลับมาแบบจืดชืดก็ต้องหาอย่างอื่นมาเสพต่อดูรูปแล้วฟังเสียงแล้วทีนี้ก็ต้องหาอะไรกินนะเนี่ยหาอะไรดื่มนะมันจะได้มีชีวิตชีวามีความรู้สึกสดชื่นเบิกบานขึ้นมาอ่านี่แหละทําไมธาตุรู้จึงต้องมารวมกับธาตุสี่คือร่างกายเพราะว่าธาตุสี่คือร่างกายนี้มีตาหูจมูกเล่นกาย แล้วธาตุรู้นี้มีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็เลยต้องมามาเกาะติดกับร่างกายเวลาที่มีการสร้างร่างกายขึ้นมาธาตุรู้ที่สูญเสียร่างกายอันเก่าไปก็จะเป็นดวงวิญญาณคอยรอรับร่างกายอันใหม่พอมีพ่อแม่คนใหม่ผ่าศร์โลกคนใหม่ขึ้นมา ถ้ารู้นี้ก็จะไปเกาะติดกับร่างกายอันใหม่ทันทีแล้วก็จะรอให้ร่างกายอันใหม่นี้คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมาพอพอจเจริญเติบโตก็หัดใช้ร่างกายหัดยืนหัดเดินหัดวิ่งหัดอะไรหัดเลี้ยงดูร่างกายรักษาร่างกายพอ เป็นเครื่องมือที่สาคัญที่จะต้องคอยปกป้องรักษาให้มันมีสมรรถภาพพอมันโตลแล้วทีนี้ก็ใช้งานมันได้นะอยากจะไปเที่ยวไหนก็สั่งให้มันพาไปเที่ยวได้อยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็สั่งให้มันไปหามาได้ก็หาความสุขแบบนี้นี่คือวิธีหาความสุขของใจผู้รู้ผู้คิด แล้วการหาความสุขก็อาจจะหาแบาแ บ, บสองแบบด้วยกันแบบไม่ไปทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นกับแบบที่ไปทำความเดือดร้อนให้กับผู้อืน่นบางทีอยากได้บางอย่างแล้วไม่สามารถเอามาได้โดยที่ไม่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็อาจจะต้องทำแบบวิธีทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนขึ้นมาก็เลยไปเบียดเบียนไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายขึ้นมา ทางวัดทางพระแล้วก็เรียกว่าเป็นการทําบาปบางทีเราอยากได้อะไรแต่ไม่มีเงินเห็นเขามีอยากได้เขาก็เลยไปขโมยเงินเขามาซื้อหรือไปโกหกหลอกลวงทําอาชีพชอ่อกองหลอกลวงทําแชร์เห็นไหมแชร์นี้ก็หลอกลวงเอาแช่ลูกโซ่เนี่ยเอาเอาเงินของเขามา ก่อนแล้วก็เอาเงินของเขานี้จ่ายเป็นดอกเบี้ยให้เขากลับคืนไปดอกเขาว่านี่เป็นรายได้าจากการมาลงทุนกับเขาไอ้คนโง่ก็เชื่อเอาเงินของตัวเองกลับมาให้เขาไปร้อยเขาให้กลับมาสามสิบถึงดีใจใหญ่แทนที่จะเก็บไว้ร้อยหนึ่งกลับยอมยินดีรับแค่สามสิบ พอมีความโลภคิดว่าเดี๋ยวจะได้เพิ่มอีกได้เพิ่มอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเอาไปฝากธนาคารธนาคารให้แค่บาทเดียวร้อยหนึ่งให้แค่บาทสองบาทนี่เขาให้ต้องสามสิบบาทก็เลยโลภเนะี่ยถารู้ไหมว่าเขาไม่มีการลงทุนเ้าเาเงินเรามาหมุนเอาเงินเรามาจ่ายดอกเบี้ยจ่ายให้พวกที่มา มามาสมัครก่อนไอพวกที่มาหลังก็เอาเงินพวกที่มาสมัครทีหลังก็มาจ่ายดอกเหี้ยพวกที่สมัครก่อนเน <c oughs> แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้กินกันเลยแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็แล้วก็เงินก็หมดเงินก็ไม่พอจ่ายทีนี้ก็เริ่มวุ่นริรู้สึกตัวก็สายไปแล้วเ <c oughs> งินหมดแล้วเ <c oughs> นี่ยเป็นวิธีการ หาเงินเพื่อที่จะได้เอาเงินไปซื้อรูปเสียงกิจิยรถมาเสพกันอั่นเองหรับคนที่ไม่สามารถที่จะหาเงินหาทองโดวยวิธีสุดจริตได้หรือไม่มีโชคไม่มีบุญได้มาเกิดเป็นลูกของคนมีเงินมีทองก็บางทีต้องหาเงินทองแบบวิธีไม่สุดจริตก็เลยทำบาปไปแล้วบาปนี้มันมีผลต่อจิตใจของผู้กระทำ มันทำให้ใจร้อนใจทุกข์ใจไม่สบายขณะที่มีชีวิตอยู่ขณะที่อยู่กับร่างกายแล้วมันยังมีผลต่อไปเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วอับาปนี้มันก็จะแสดงผลต่อไป mm hmm. เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับเนี่ยเวลาเรานอนหลับแล้วก็เหมือนเวลาที่เราตายไปชั่วคราวตอนนอนหลับนี่ร่างกายก็เหมือนคนตาย mm hmm. ตอนนั้นใจ ทานรู้นี้ยังอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่แต่ไม่สามารถหาผ่านทางร่างกายได้ก็เลยอาศัยหาจากสิ่งที่ได้เคยไปทำไว้ในอดีตที่มีบันทึกไว้ในใจนั้นนะแล้วก็ให้มันแสดงผลเป็นมโนภาพขึ้นมามโนภาพนี้เราก็เรียกว่าความฝันเนะี่ยเวลานอนหลับนี่เวลาเราฝันนี่เราไม่รู้ว่าเราฝันกันนะ เราคิดว่าเรากําลังอยู่ในเหตุการณ์จริงๆจะมารู้ก็ตอนที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้นี้ฝันไปเนลยแต่ตอนที่ฝันนี่เหมือนกับตอนนี้เลยเหมือนกับตอนที่เรากำลังนั่งคุยกันอยู่ตรงนี้แต่มันไม่รู้ว่าฝันมันจะมารู้ก็ตอนที่ตื่นขึ้นมาแล้วแล้วเวลาฝันมันก็มีฝันสองแบบฝันดีหรือฝันไม่ดีะฝันดีมันก็เอาภาพที่เคยทํา ไว้ภาพดีๆที่เคยทำไว้ตอนที่ตื่นมาเอามาแสดงให้มันเห็นฝันไม่ดีก็เอาภาพที่ไปทำไม่ดีไว้ตอนที่ตื่นนะเนี่ยการทำบุญก็เรียกว่าเป็นการสะสมภาพที่ดีต่างๆเพราะการทำบุญมีแต่ทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจสบายใจลื่นเลงใจบันเทิงใจส่วนการทำบาปก็ทำให้เครียด ทำให้ทุกข์ทำให้ใจร้อนทำให้กวาดวิตกกังวลหวาดกลัวอะไรต่างๆเนี่ยของพวกนี้มันบันทึกไว้ในใจนะใจนี้เหมือนมือถือเนี่ยเปิดตลอด24ชั่วโมงบันทึกภาพเสียงตลอดเวลาแล้วพอเวลานอนหลับไอพ้พระไอ้สิ่งที่เราบันทึกไว้มันก็จ ะ, สะแสดงออกมาเพราะใจเราหิวใจเราอยู่กับความว่างไม่ได้ พออยู่ว่างๆคนเดียวเหงาขึ้นมาต้องหาอะไรดูเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวมีมือถือก็ต้องเปิดดูแลใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันพออยู่ว่างๆไม่มีร่างกายเป็นเครื่องมือหารูปเสียงกลิ่นรสก็เลยดองหารูปเสียงกลิ่นรสที่ได้บันทึกเอาไว้ในใจมาดูแทนบันทึกเรื่องดีก็ได้ดูเรื่องดีบันทึกเรื่องไม่ดีก็ได้ดูแต่เรื่องไม่ดี นี่แหละคือบุญกับบาปทำบุญก็ได้ทำแต่เรื่องที่ดีทำบุญมีแต่ความสุขความเย็นใจสบายใจทำบาปก็มีแต่ความวุ่นวายใจความทุกข์ความเดือดร้อนใจเนี่ยมันสะสมไว้ในใจแล้วเวลานอนหลับหรือเวลาตายเนี่ยมันก็อาศัยภาพเหล่านี้นมาแสดงผลจนกว่าจะไปได้ร่างกายอันใหม่ มันถึงจะหยุดแสดงผลพอตื่นขึ้นมาใหมเ่เวลาตายก็เป็นการนอนหลับแบบหนึ่งตายแบบเปลี่ยนร่างกายนอนหลับแบบเปลี่ยนร่างกายนอนหลับปั๊บตายไปปั๊บพอตื่นอีกทีเอา้าออกมาจากท้องแม่นะได้ร่างกายอันใหม่ส่วนตายแบบร่างกายเก่าส่วนนอนหลับนี่ก็แบบว่าแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนร่างกายอานอนหลับก็ตายแบบชั่วคราว ตายแบบไม่ได้เปลี่ยนร่างกายพอนอนได้แปดชั่วโมงสิบชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาก็กลับมาเข้ามาร่างกายเก่าต่ อ, อก็มีเท่านี้เรื่องของเราของพวกจิตใจของพวกเราก็มีเท่านี้มันก็ทำอย่างนี้ไปด้วยอำนาจของความอยากที่มีอยู่ในใจตราบใดที่ยังมีความอยากหาความสุขจากโรภเสียงกลิ่นรสเยื่ตราบนั้นมันก็ต้องไปมีร่างกาย เวลาไม่มีร่างกายเก่าตายไปมันก็ไปหาร่างกายอใหม่ไปรอรับร่างกายอันใหมช่วงที่รอรับมันก็อาศัยมโนภาพที่ได้บันทึกเอาไว้มาเป็นตัวให้ความบันเทิงแต่มีทั้งมโนภาพที่หวาดเสียหวาดกลัวและมโนภาพที่อบันเทิงใจลื่นเล่องใจขึ้นอยู่กับว่าเราไปบันทึกภาพแบบไหนเอาไว้ เราทําบุญทำความดีเราก็บันทึกภาพที่ดีไว้ในใจเราไปทําบาปทำร้ายผู้อื่นมันเราก็บันทึกภาพที่ไม่ดีไว้ในใจของเราแล้วเวลาเรานอนหลับหรือเวลาเราตายมันก็ปรากฏขึ้นมาในมโนภาพของเราเองนะรัท่านยังบอกว่าเวลาตายไปเนี่ยถ้าถ้าให้ถ้าเป็นช่วงที่บาปแสดงผลท่านก็เรียกว่าเป็นนรกเป็นอาบาย เพราะมันมีจะมัมนจะมีโมโนภาพที่ทําให้ดูแล้วมันทุกร้อนใจเรื่องราวที่ทําให้มีแต่ความทุกข์ความร้อนใจเพราะว่ามันเราไปบันทึกภาพเหล่านี้ไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราไปกันแกล้งผู้อื่นไปทรมานผู้อื่นไปฆ่าผู้อื่นไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อนมันก็จะเป็นภาพที่จะมาปรากฏในใจเราแล้วมันจะ พกลับมันนมันจะแทนที่เราจะเป็นคนทําเราจะกลายเป็นถูกคนเขาทําในภาพนั้นเคยทํากับใครไว้ยังไงมันก็จะกลับมาในภาพนั้นมันจะพีกกลับมามาทํากับเราอย่างนั้นเหมือนเวลาเราถ่ายเวลาเราดูหน้าตาเราในกระจกนี่มันไม่ใช่เป็นภาพจริงใช่ไหม ด้านซ้ายของเรากับด้านขวาของเรามันคนละด้านเนี่ยเวลาเราดูในกระจกนี้ด้านขวาของเรามันเป็นด้านซ้ายของของของภาพในกระจกเนี่ยมันแบบเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันทําทําร้ายกับผู้อื่นเดี๋ยวเวลานอนหลับหรือเวลาตายนี่ก็จะได้ภาพที่คนอื่นเขากลับมาทําร้ายเราแทนเี่ยทําบุญกับผู้อื่นทําประโยชน์ให้กับผู้อื่น ช่วยผู้อื่นให้เขามีความสุขมันก็จะเป็นภาพกลับมาผู้อื่นจะมาให้ความสุขกับเรา น, นี่คือเรื่องของบุญและบาปเรื่นงนรกหรือสวรรค์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเราทั้งหมดเนยนะมันไม่ได้เป็นสถานที่แล้วมันไม่ได้อยู่ในโลกกธาตุนี้มันไม่ได้อยู่ในโลกของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันอยู่อีกโลกหนึ่งที่เรียกว่าโลกทิพย์เนี่ย โลกทิพย์ก็คือโลกของใจโลกของธาตุรู้นี่แหละถึงบอกว่าบุญมีจริงบาปมีจริงตายแล้วไปเกิดมีจริงเพราะผู้ที่ไปเกิดนั้นไม่ได้ตายไปกับผู้ที่ตายผู้ที่ตายคือร่างกายเนี่ยของพวกเราเนี่ยทุกคนจะต้องตายกันหมดแต่ขอให้ดีใจว่ามันไม่ได้เป็นเรา มันเป็นเพียงเครื่องมือหรือเป็นเหมือนรถยนต์เท่านั้นเองคนขับไม่ได้ตายไปกับรถยนต์เวลารถเสียเวลารถพังก็ทิ้งมันไปขายมันไปขายเป็นเศษเหล็กไปขายเป็นรถมือสองไปแล้วก็เอาเงินไปซื้อรถใหม่เราคนขับก็จะได้ขับรถใหม่ต่อเวลาตายไปก็เหมือนกับเราไปเปลี่ยนร่างกายนี่ ร่างกายนี้ตายไปถ้าเรายังอยากได้ร่างกายอันใหม่เดี๋ยวเราก็ไปเราก็ได้ไปเกิดใหม่แต่ถ้าเราเบื่อเราไม่อยากจะมาเจออย่างนี้ซ้ำซากกลับมาเกิดก็ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอย่างที่เราทุกกันอยู่นี่ทุกกับร่างกายเป็นหลักต้องคอยเลี้ยงดูร่างกายคอยให้อาหารมันคอยปกป้องรักษามัน แล้วก็ต้องมาทุกกับเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆแล้วก็มาทุกกับความผิดหวังเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็ผิดหวังเสียอกเสียใจหรือได้อะไรมาแล้วสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปก็เสียอกเสียใจแล้วก็ต้องมาทุก์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอีกถ้าคิดด้วยปัญญาแล้วมันบอกว่าไม่อยากมาเกิดเนี <c> ่ <oughs> เกิดแล้วก็มาเจอปัญหาเหล่านี้ ก็นานๆจะมีคนคิดอย่างนี้สักคนหนึ่งคิดแล้วก็หาวิธีว่าทำไงไม่ต้องกลับมาเกิดก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าคิดไปคิดมาก็ค้นพบว่าไอ้ตัวที่พาให้มาเกิดก็คือความอยากในใจนี่เองความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากมีอยากเป็นอยากเป็นนายกอยากเป็นสส อยากเป็นอะไรต่างๆมันก็ทำให้จิตต้องดิ้นรนขวนขวายต้องมีร่างกายก็ต้องมาเกิดมาเกิดแล้วก็ต้องมารับภาระการเลี้ยงดูร่างกายมาทุกขกับเรื่องราวของร่างกายไปจนวันตายพระพุทธเจ้าเห็นแล้วก็เบื่อคิดอย่างลึกซึ้งรอบคอบแล้วว่าการไม่มาเกิดดีที่สุด ก็เลยไปศึกษาค้นคว้ากับพวกนักบวชเนี่ยจอนใดที่สุดก็ส่งค้นพบว่าไอ้ตัวที่ทําให้มาเกิดก็คือความอยากต่างๆความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นนัดความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันจะเป็นตัวที่ผลักดันให้จิตนี้ต้องไปเกิดอยู่เรื่อยๆก็เลยหาวิธีทําไงจะหยุดมันได้ ก็ในที่สุดก็ส่งคนพบวิธีวิธีของปัญญาวิธีของสมาธิวิธีของศีลศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นตัวที่จะทําให้ไม่ต้องกลับมาเกิดเด็กต่อไปได้ถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญานี้จะหยุดความอยากต่างๆการทำทานก็หยุดความอยากในระดับของทาน คือถ้ายังใช้เงินซื้อความสุขต่างๆอยู่ก็ต้องหยุดซื้อเอาเงินไปทำบุญทาทานแทนแทนที่จะซื้อรถเก๋งคันใหม่รถเก่ายัางใช้ได้อยู่ก็ใช้มันไปแล้วก็เอาเงินไปทาบุญทาทานมันจะได้ไม่มีความอยากจะซื้อรถใหม่อยู่เรื่อยๆ เ, เพราะซื้อรถใหม่มาไม่กี่ปีเดี๋ยวมันก็เก่ากอะเก่ามันก็อยากจะซื้อรถใหม่เอะมันก็ต้องคอยดิด้นลนหาเงินมาซื้ออยู่เรื่อยๆ ถ้าบอกว่าใช้มันไปใช้รถเก่าไปเรื่อยๆมันก็ไม่ต้องซื้อรถใหม่ซ่อมเหมือนไปเรื่อยๆ เ, เอาเงินไปทําบุญดีกว่าตัดความอยากซื้อรถใหม่ต่อไปก็ไม่ซื้อเลยก็ได้ใช้รถโดยสารก็ได้ใช้รถสาธารณะก็ได้แท็กซี่ก็มีอะไรก็มีเยอะแยะไปเนี่ยการทําบุญทําทานนี้เพื่อตัดความอยากได้สิ่งต่างๆที่ไม่จําเป็น สิ่งที่จําเป็นนี่หามาได้เช่นปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยนี่จําเป็นต้องมีแต่ให้มันมีแบบพอเพียงก็พอไม่จําเป็นจะต้องหรูหราไม่ต้องมีราคาแพงแพงไม่ต้องใหญ่โตมาโหรานร่างกายมันแค่มีมันมัแค่กี่ศอกเองใช่ไหมทำไมต้องมีบ้านขนาดทากับมหาราชวังเนี่ยมีก็ มีแล้วมันมันมันต่าง ก, ก, กันกับบ้านเล็กๆที่ไหนเวลานอนดับมันรู้ที่ไหนว่ามันนอนบ้านใหญ่หรือบ้านเล็กเนี่ยใช่ไหมมันเพียงแต่ขอให้มีที่หลบหลบแดดหลบฝนมีที่ปลอดภัยจากภัยต่างๆเท่ า, าทนั้นก็พอไม่จาเป็นจะต้องมีบ้านหรูหราใหญ่โตมีสิบห้องยี่สิบห้องมีไว้ทำไมมีไว้เพื่อรักษาเลยก็ต้องจ้างคนเข้ามาช่วยกวาดช่วยถูค่อยเช็ดเนี่ย ดูกุฏิพระนี่มีห้องเดียวพอแล้วง่ายสะดวกไม่ต้องไปจ้างใครมาคอยเช็ดมาคอยกวาดคอยถูกวาดเองถูเองห้านาทีก็เสร็จ<ม>เป็นที่หลบแดดหลบฝนได้เส<ม><ม>ื้อผ้าของพระก็มีแค่หนึ่งชุดก็พอผ้าต1หนึ่งชุดก็อยู่ได้นะ<ม>อาหารของพระก็มื้อเดียวก็พอ<ม> ยารักษาโรคถ้าไม่มีเงินซื้อยาก็เนี่ยใช้ยาดองน้ำมูดยาดองปัสสาวะเนี่ยดื่มดื่มดื่มยาดองน้ำปัสสาวะก็รักษาโรคไข้ไข้เจ็บได้ น, นี่คือสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายที่ต้องมีกันเพื่อเลี้ยงดูให้ร่างกายอยู่ได้แต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นของราคาแพงๆเพราะการใช้ของแพงมัน ท่ให้เราต้องดิ้นรนหาเงินหาทองกันแล้วถ้าไม่ระวังเดี๋ยวก็อาจจะไปทำบาปกันขึ้นมาแล้วความสุขที่เราได้จากการหาเงินทองด้วยการทำบาปนี้มันไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ได้จากการทำบาปเวลานอนหลับฝันร้ายสักคืนถึงจะรู้ฤทธิ์ของบาปว่าเป็เปนยังไงเวลาตื่นขึ้นมาเหงื่อแตกพักเล ย, เยมันแทบจะไม่อยากจะนอนอีกต่อไปนั่นแหละมฤิของบาปที่เราทาไว้ แล้วมันเพียงเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองเวลาที่เรานอนหลับมันเพราะมันเวลามันสั้นเวลาที่เราตายเนี่ยมันจะเป็นหนังยาวเลยเป็นทั้งเรื่องฉะนั้นให้เห็นโทษของการทำบาปลแล้วใ น, นทางตรงกันข้ามก็เห็นบุญของการทาบุญ ทำบุญแล้วเราก็จะฝันดีมีแต่เรื่องดีๆให้เราดูให้เราชมมีแต่ความสุขความอิ่มหนำสำราญใจสบายอกสบายใจนี่แหท่านเรียกว่าบุญเป็นสเสบียงเวลาที่เราไม่มีร่างกายหาความสุขเราก็ต้องอาศัยบุญยาอาศัยบาปเพราะบาปมันทําให้เราหวาดเสียวหวาดกลัวทุกข์ร้อนเครียดอันเดือดร้อนไม่ไม่มีความสุขนะ พระพุทธเจ้าทุกองหนึ่งต้องสอนให้เราเลิกทำบาปกันละเว้นการกระทำบาปทั้งปวงเพื่อจะได้ไม่ฝันร้ายเวลาตายเนี่ยและให้ทั้งบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพรอ เพื่อเราจะได้ฝันดีมีแต่เรื่องดีๆทําคุณทําประโยชน์ให้กับคนนั้นคนนี้ช่วยคนนั้นคนนี้บรรเทาวความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับคนนั้นคนนี้แล้วมันจะกลับมาเป็นฝันให้กับเราว่ามีคนนั้นมาช่วยเราคนนั้นมาเลี้ยงเรามาดูแลเรามาให้ความสุขกับเราแล้วก็ถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปก็มาหยุดความอยากกันะ มาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาการปฏิบัติจิตตภาวนานี้จะทำให้ความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้หายไปหมดถ้าหายไปหมดแล้วทีนี้ก็จะไม่มีตัวที่จะผลักดันให้เราไปมีร่างกายไปเกิดใหม่อีกเหมือนกับคนที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนแล้วก็ไม่รู้จะมีรถยนต์ไว้ทาไม ถ้าทุกมีทุกอย่างในบ้านครบบริบูรณ์แล้วนี่ไม่มีความจำเป็นจะต้องออกนอกบ้านก็อยู่ในบ้านสบายกว่าสมัยนี้ออกนอกบ้านเหนื่อยั้ยนั่งรถกันบนท้องถนนนี่ติดยาวเหยียดไหมบางทีปวดฉี่อยากใช้ข้าห้องน้ำก็หาที่ฉี่ไม่ได้หิวบางทีก็ไม่มีอะไรให้กิ น, นเดินทางมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้รถ้าเราสามารถ ทำให้เราอยู่บ้านได้โดยที่ไม่ต้องออกนอกบ้านเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีรถยนต์พาเราไปไหนมาไหนใจของเราพอมีความอิ่มแล้วมันก็ไม่มีความต้องการที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปมีร่างกายอยู่แบบไม่มีร่างกายสบายกว่าอยู่ด้วยการสร้างความสุขขึ้นมาภายในใจนั่นเอง การภาวนานี้เป็นวิธีสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในใจความสุขในใจนี้พวกเรามีกันอยู่แล้วทุกคนแต่เราไม่เหลียวแลมันเราไม่ปลุกมันขึ้นมาเราทอดทิ้งมันมันก็เลยไม่สแสดงผลออกมาให้เราเห็นเพราะเรามัวแต่ไปหาความสุขผ่านทางร่างกายกันมัวแต่ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันเลยทําให้เราลืม หรือไม่รู้จักความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราเองเนี่ยนานๆจะมีคนมาเจอความสุขอันนี้ในตัวของตอนเองคือพระพุทธเจ้านี่เ้วท่านก็มาสอนพวกเราว่ามาหาความสุขในตัวของเราดีกว่ามาทำใจให้สงบหยุดความคิดต่างๆหยุดความอยากต่างๆแล้วจะเกิดความสุขขึ้นมาภายในใจ ที่จะทำให้ไม่มีความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกดิ้นกายอีกต่อไปจะได้ไม่ต้องไปเกิดใหม่เพราะเ ม, เมื่อมีความสุขในตัวเราแล้วน่าเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเรื่องอะไรไปหามันทำไม ในเมื่อมีความสุขแบบห้าดาวโรงแรมห้าดาวเรื่องรายย้ายไปอยู่โรงแรมดาวเดียวใช่ไหมไม่มีใครย้ายหรอกถ้าอยู่ห้าดาวนี่อยากอยากจะอยู่โรงแรมห้าดาวมากกว่าอยู่โรงแรมดาวเดียวอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราได้ความสุขในใจล้วแล้วเหมือนกับได้ความสุขระดับโรงแรมโรงแรมห้าดาวนั้นก็อยู่โรงแรมดาวเดียวแล้วหยุดเกสตเฮาส์นี้ไม่อยากจะกลับไปอยู่แล้ว อันนี้ก็เหมือนกันเนถ้าเราได้มาปฏิบัติจิตตะภาวนามาทำใจให้สงบได้เนี่ยเราจะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเมื่อได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วความอยากที่จะไปหาความสุขแบบเดิมก็หมดไปมันเทียบกันเหมือนฟ้ากับดินเนย เหมือนโรงแรมห้าดาวกับโรงแรมกับเกสเทาเนี่ยเขาอยากจะไปลองแด้ย้ายจากเกสเทาให้ไปอยู่ห้าดาวดูสิรับรองได้ไม่อยากจะกลับไปอยู่ที่เกสเทาอีกแล้ว <c oughs> นี่ก็คือเรื่องของการสร้างความสุขขึ้นมาภายในใจของเราซึ่งนานๆจะมีคนพบความจริงอันนี้พบความสุขอันนี้แล้วมาบอกพวกเราว่านี่แหละ เป็นวิธีที่หาความสุขที่ดีที่สุดที่ไม่มีความทุกข์ตามมาที่ไม่ต้องพาให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันไม่ต้องไปเกิดเป็นมนุษย์พอเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแต่ก็ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายทุกข์กับการหาสิ่งมาต่างๆมาให้ความสุขกับกับใจและบางที หาโดยวิธีไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ได้ก็ไปหาโดยวิธีทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนก็ไปไปปลูกฝังเรื่องราวไม่ดีฝังไว้ในใจของตนเองพอเวลาไม่มีร่างกายเรื่องราวไม่ดีต่างๆมันก็ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาในใจมาสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจไปจนกว่ามันจะหมดกําลังแล้วก็ไปได้ร่างกายอันใหม่ก็กลับมาทําแบบเดิมอีก อันนี้เราต้องเห็นภาพของตัวเราเห็นภาพเห็นเรื่องราวของเราว่าหนึ่งเราไม่ได้เป็นร่างกายสองเราเป็นดวงวิญญาณหรือดวงจิตดวงใจหรือธาตุรู้นี่ผู้ที่มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายแต่การหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้มันจะต้องมีความทุกข์ต่างๆตามมา ให้มาหาความสุขอีกแบบดีกว่าหาความสุขผ่านทางจิตใจ <c oughs> <c oughs> ซึ่งนานๆานจะมีคนรู้จักวิธีนี้สักคนหนึ่งมามาสอนมาบอก <c oughs> พวกเรานี้โชคดีได้มาเกิดในยุคที่มีคำสอนของคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าที่มาสอนให้เรารู้ว่าการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้มันได้ไม่คุ้มเหนื่อย ได้ไม่คุ้มเสียความสุขที่ได้จากทางร่างกายนี้นิดเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อไรในการที่จะได้ความสุขกันนี้มาสูหาความสุขแบบคุ้มค่าดีกว่าความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี้ดีกว่าแล้วก็เป็นความสุขที่ได้แล้วได้เลยได้แล้วจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอด แต่ความสุขที่เราหาถ้าเป็นแทบตายผ่านทางร่างกายได้มาป๊อปเดี๋ยวมันก็จางหายไปเหมือนควันไฟใช่ไเนี่ยปีใหม่ไปเที่ยวกันมาเนี่ยกลับมานี่หายไปไหนหมดแล้วก่อนนี้ก็ต้องไปเติมช่วงตุต จ, จีนแล้วนสิช่วงสงการแล้วสิเพราะว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวช่วงปีใหม่มันหายไปหมดแล้วเป็นความเป็นความฝันหรือเป็นความจําใบเท่านั้นเอง แต่ความสุขไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจแต่ถ้าความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบนี้มันอยู่กับใจไปตลอดมันไม่จางหายไปมันอยู่กับใจคู่ไปกับใจเรื่อยๆนี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาแก้เรื่องราวต่างๆความทุกข์ต่างๆที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้มันเกิดจากการที่ไม่รู้จัก ว่าความสุขที่แท้จริงที่ดีสำหรับเราอยู่ที่ตรงไหนความไม่รู้นี่แหละมันจึงทำให้เราหลงไปคิดว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสเราจึงต้องไปมีร่างกายกันไปเกิดกันมีร่างกายอันนี้ก็ใช้มันไปจนถึงเวลาที่มันตายไปตายไปแล้วก็ไปหาร่างกายมันใหม่ไปทำแบบเดิมอย่างนี้ เกิดแต่เกิดแก่เจ็บตายช่วงที่ยังไม่แก่เจ็บตายก็เป็นช่วงที่หาความสุขได้บ้างไม่ได้บ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างได้มาแล้วบางทีก็เสียไปดีใจเดียวเดียวเดี๋ยวเสียไปก็ร้องห่มร้องไห้เดี๋ยวพอหายแล้วก็ไปหาใหม่ทำอย่างนี้ไปเนี่ยสุขกับทุกไปสลับกันไปจนถึงวันตายตายแล้วก็ช่วงที่จะไปได้น่างกายอันใหม่ก็ต้อง ไปสุขทุกข์กับบุญกับบาปที่ทำไว้แล้วพอได้ร่างกายอันใหม่ก็กลับมาทำแบบเดิมอีกก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรายังคิดว่าความสุขของเราอยู่ที่ตาหูอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์เราก็ต้องฝืนความอยาก วิธีจะฝืนได้เราต้องปฏิบัติสมาธิและปัญญานี้เป็นเครื่องมือถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องมือทําทจิตให้สงบนี้เราจะฝืนความอยากไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้เหมือนกับเวลาที่ลรอยางแตกนี้ถ้าเราไม่มีเครื่องมือเปลี่ยนยางเปลี่ยนไม่ได้หรอกถ้าไม่มีแม่แรงยกล้อขึ้นมาไม่มีที่ขันน็อตคลายน็อตออกนี้เปลี่ยนยางไม่ได้ ใช้สองมือนี่มือเปล่าๆเลเยเองไปยกรถขึ้นมาดูเลยลองไปคลายน็อต ด, ดูเลยคลายไม่ได้ยันใดการที่จะหยุดความอยากได้ฝืนความอยากได้นี้จำเป็นจะต้องมีสมาธิมีปัญญาถึงจะสามารถที่จะฝืนความอยากหยุดความอยากได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามามาฝึกสมาธิฝึกปัญญากัน การจะฝึกสมาธิเราก็ต้องมีเครื่องมือการที่จะทำให้มีสมาธิขึ้นมาเราก็ต้องมีสติสติคือผู้ที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากเพื่อทำใจให้สงบชั่วคราวสติก็คือสิ่งที่เราต้องใช้ในการหยุดความคิดเช่นตอนนี้เราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราคิดอยู่แล้วเราอยากจะให้มันหยุดคิดเราสั่งให้มันหยุดคิด ถ้าเราสั่งแล้วมันไม่หยุดก็แสดงว่าสติเราอืมไม่ดีเหมือนรถที่เบรกไม่ดีเวลาขับรถพอเราต้องการจะหยุดรถเราก็เหยียบเบรกกันถ้าเหยียบแล้วมันไม่หยุดก็แสดงว่าเบรกเสียแล้วเบรกไม่ดีพอเราก็ต้องเข้าอู่ไปซ่อมเบรกก่อนถ้าเราอยากจะหยุดความคิดอยากจะทําใจให้สงบนั่งเฉยๆแต่มันไม่ยอมหยุดคิดก็แสดงว่าเราไม่มีเบรกไม่มีสติ เราก็ต้องไปหาหาวิธีทำให้เบรกเกิดขึ้นมาวิธีจะทาให้เบรกขึ้นมาก็คือต้องมีการเจริญกรรมฐานนี่กรรมฐานก็คืออารมณ์ที่ให้เราผูกใจไว้ให้เราคิดอยู่กับอารมณ์นั้นอยู่เช่นพุโทโธนี้ก็เป็นอารมณ์หนึ่งถ้าเรานั่งบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเราก็จะหยุดความคิดต่างๆได้ เดี๋ยวดูลมหายใจเข้าออกไปแต่ถ้านั่งแล้วดูแล้วมันยังไม่หยุดหรือว่ามันไม่ทำดูได้สองทีไปแล้วไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วหรือพุโทโธได้สองคาไปแล้วก็แสดงว่าพุโทโธเรายังไม่มีกํำลังเราก็ต้องพยายามฝึกก่อนที่เราจะมานั่งฝึกตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไป ถ้าเราจะไม่พุโทโธเราอยากจะใช้การดูการเพ่งก็เพ่งไปที่ร่างกายคอยเฝ้าดูร่างกายว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ให้อยู่กับการทํางานของร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายมันก็จะทําให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าบังคับให้มันเพ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทําต่างๆของร่างกายถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วเวลามานั่ง พอพุทโธพุทโธมันก็อยู่ไปกับพุทโธมันไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ดูลมมันก็อยู่กับการดูลมถ้านั่งอย่างนี้เดี๋ยวจิตมันก็จะหยุดคิดมันก็จะสงบแล้วมันก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเอเกิดความสุขที่ทําให้เกิดความอิ่มความพอขึ้นมาความหิวกับรูปเสียงกิ่นรสที่เคยมีอยู่มันจะหายไปเอหายไปชั่วคราว พอออกจากสมาธิมาเราไม่มีสติแล้วปล่อยให้ใจคิดเดี๋ยวมันก็เริ่มอยากเรื่องนั้นเรื่องนี้วิธีที่จะทำให้มันหายอยากเวลาจะออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าเวลาอยากได้อะไรให้ดูว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันเป็นอย่างไรมันสุขหรือทุกข์กันแนะ่เราอาจจะคิดว่ามันสุขแล้วพอ ได้มาแล้วมันสุกนานไหมล่ะเมื่อมันสุกเดี๋ยวเดียวพอได้มาแล้วมันหายไปมันก็เหมือนกับไม่ได้ไปเที่ยวมากลับมาแล้วตอนนี้หายไปไหนหมดแล้วก็เหมือนกับไม่ได้ไปแล้วไปให้เสียเวลาทําไมก็อย่าไปดีกว่ามันจะได้ไม่พอไม่ไปเราก็จะฝืนความอยากได้ให้เราเห็นว่าความสุขต่างๆที่เราอยากได้มันเป็นความสุขชั่วคราว มันเป็นอนิจจังเมื่อมันเป็นอนิจจังพอมันหายไปความสุขหายไปความทุกข์คือความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายก็เข้ามาแทนที่ทันทีหรือมากกว่านั้นอาจจะเกิดความเสีย อ, อกเสียใจก็ได้ถ้าเราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปบุคคลที่เรารักไปให้มองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงสิ่งที่จะมาให้ความสุขกับเรามันไม่เที่ยงมันให้กับเราได้ชั่วครัง้งชั่วคราว แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องสิ้นสุดลงหมดลงพอมันสิ้นสุดมันหมดตอนนั้นมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่มาทําให้เราทุกข์<ม>ตอนนี้เราไม่ยุ่งกับเขาอยู่แล้วมันก็ไม่ทุกข์พอไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับเขาขึ้นมาอเห็น<ม>สู้อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าหาความสุขจากความสงบดีกว่าอันนี้คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เลือกทางทางไหนดีทาง ทางรูปเสียงกลดดิ่นรสดีหรือทางความสงบดีเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าทางรูปเสียงกลิ่นรสมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนความสงบของใจนี้มันเป็นทางของอไม่ใช่ทางของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเป็นความสุขเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดมันก็จะเลิกไปทําตามความอยากได้ พอเลิกทำตามความอยากความอยากก็จะหายไปจะไม่มีหลงเหนืออยู่ในใจอีกต่อไปก็จะไม่มีอะไรมาคอยดึงให้เราไปเกิดอีกต่อไปเราก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปทุกข์อีกต่อไปอยู่แบบไม่มีร่างกายดีที่สุดอยู่แบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพาระละหันนี้ท่านใช้การภาวนา หยุดความอยากต่างๆกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจจนหมดสิ้นไปใจของท่านจึงมีความสุขตลอดเวลาเมื่อมีความสุขตลอดเวลาก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาความสุขทางร่างกายอีกต่อไปก็เลยไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปมีร่างกายนี่คือเรื่องของใจเรื่องของพวกเราเนี่ยที่เรายังหาความสุขต่างๆจาก ทางร่างกายอยู่เราจรึงต้องมาเกิดกันแต่ตอนนี้เราได้มาเรียนรู้ว่าเรามีทางเลือกใหม่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดกลัมาทุกข์แบบที่เราทุกข์กันตอนนี้เราก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขกันจากการหาความสุขผ่านทางร่างกายก็มาหาความสุขผ่านทางปฏิบัติธรรมกันมาเจริญจิตตภาวนากันะ ถ้าหัดทำไปเรื่อยๆต่อไปก็ทำได้เหมือนกับการว่ายน้าตอนต้นก็ว่ายไม่เป็นกันพอไปเรียนจากคนสอนค่อยทำอย่างนั้นทำางนี้เดี๋ยวก็ว่ายได้การภาวนาก็เหมือนกันเป็นเป็นการที่เราเรียนรู้ได้สามารถปฏิบัติกันได้ไม่เช่นั้นแล้วก็จะไม่มีสาวกเกิดขึ้นมาจะมีแต่พระพุทธเจ้าองเดียวแต่พอพระพุทธเจ้าสอนสาวกสาวกทาตามสาวกก็ได้ความสุข เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้พวกเราก็ต่อไปก็จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนะแต่ถ้าเรายังไม่สามารถภาวนาได้อย่างน้อยก็เอาทำเรื่องบุญก่อนก็แล้วกันทำบุญทาทานไปอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไปทำบาปทำบาปแล้วจะทุกข์ทั้งตอนที่ยังไม่ตายและทุกข์ตอนที่ตายแล้วตอนนอนหลับก็ฝันได้ สู้ทำบุญดีกว่าหรือถ้าบุญทำบุญไม่ได้ก็อย่าทำบาปก็แล้วกันอย่าทำบาปถ้าอยากจะมีความสุขในระดับที่เราทำได้คือทำบุญก็ทำไปถ้าอยากได้ความสุขที่สูงกว่าระดับทำบุญก็คือไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมก็มีสามทางเลือกลเว้นการกระทำบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ทำละจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือวิธีการที่จะทำให้เรากำจัดความทุกข์และสร้างความสุขให้กับจิตใจของพวกเรามีทั้งระดับชั่วคราวและระดับถาวรก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราแต่ถ้าเรามีความตั้งใจมีการเรียนรู้แล้วมีการฝึกขัดทำแล้วเราจะทำได้ทุกระดับนะ เราก็ทำจากระดับที่ง่ายขึ้นไปก่อนทำบุญทำทานไปก่อนรักษาศีลไปก่อนแล้วเราก็ไปค่อยไปหัดภาวนาหัดไปอยู่วดัดครั้งละาวันห้าวันไปทำจิตใจให้สงบไปเจริญสติไปสอนใจว่าความสุขที่แท้จริงคือความสงบความสุขจากรูปเสียงกลินก่นลสนี้เป็นความทุกข์เพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวให้คิดอย่างนี้สอนอนี้ไปเดี๋ยวมันก็ทาได้ นี่คือเรื่องราวของพวกเราที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะธาวาริวะหาปูราปะริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปป an ักปตีอิชิต um ังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยะามณิติอราโสยะาสัพพิโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุตมัเตภวตอันตารโยสุขีทีคายุโกภว อาพิวาทนาสีิตสะนิจังวุธาปัจายโนจตารธรมมวัฏฐานติอายุวโนโสุขังภาลางช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียว หลังจากถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่ถ้าเลิกแล้วจะไม่มีการถามฉั้นต้องถามในช่วงนี้ตอนที่เรายังเปิดมาอยู่วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามา447ย t u b บ537วิดีโอออนไลน์16 รับฟังข้างบนนี้ห้าสิบเก้าคนรวมทั้งหมดหนึ่งพันห้าสิบเก้าครับอ๋อเยอะนะ YouTube กับเ c e b o o k นี่เกินเกินพิกัดที่เคยทำอยู่นรมาสการเจ้าค่ะเออเวลาที่โยมสวดมนต์โยมมีคำถามว่าเราสวดมนต์เราแผ่เมตตาให้ไรพพสันติสุข แล้วก็มีขันหนึ่งขันสี่ขันกับห้าขันเนี่ยค่ะพวกห้าขันคือพวกที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาพวกสี่ขันคืออะไรคะพวกที่ไม่มีรูปประกันไงพวกเทวดาไง เทวดาเขาเขามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาแล้วมีร่างกายไม่มีร่างกายคจริงๆเขามีร่างกายแต่แต่ไม่หนาอย่างเราชไม่มีร่างกายไม่มีกายเนื้อไม่มีกายเนื้อไม่มีรูปประคัน แล้วแล้วมันมีอยู่ห้าันเน่มีรูปด้วยที่คันสี่มันก็ตัดรูปออกไปก็เหลือแค่สี่คันแต่เทวดาก็ยังมีไม่งั้นเราจะเห็นรูปร่างเทวดาที่ใส่ชดาใส่อะไรได้ยังไงก็คงมีรูปบางๆใช่ไหมฮะที่ไม่ใช่รู ป, นะรปหนาไม่เคเห็นนะ Imagination ที่เขาวาดใช่ไหะแล้วก็เป็นความจริงมันก็เป็นมโนภาพอะมโนภาพค่ะและพวกหนึ่งขันนักเจ้าคะพวกพรหมไงพวกเข้าฌานี่ยพวกพรหมลูกฟักพวกนั้นก็เท่ี้พวนั้นมีแต่อุเบกขาอย่างเดียวสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ไม่มีสัญญาไม่มีวิญญาณหยุดทํางานค่ะท่านเจ้าค่ะมีคําถามหนึ่งค่ะอธิปยาตาเนี่ย เพราะมีอวิชชาจึงเกิดสังขารเพราะเพราะความที่เราไม่รู้เราถึงจะเกิดการปรุงแต่งถูกไหมคะมสังขาร น, นี่คืออะไรคะสังขาครความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งปรุงแต่งไปในทางอาวิชช า, าคิดปรุงแต่งไปหาความผิดผิดจากรูปเสียงกลิ่นลด<า>เพราะไม่รู้ว่าเรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่ในตัวเรา ปรุงแต่งจากรูปเสียงกลิ่นรสที่เมื่อกี้ท่านพูดสักครู่ว่าปรุงแต่งไปหารูปเสียงกลิ่นเมื่อสักครู่ที่ท่านเทศว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีความสุขในตัวเราเองเราก็ไม่ต้องวิ่งหาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจะและวพอมีสังขารจึงเกิดวิญญาณก็วิญญาณก็สังขารก็สั่งให้วิญญาณไปนับรูปเสียงกลิ่นรสจากตาหูจมูกลิ้นกาย วินสังขารสั่งให้วิญญาณไป ร, รับรูร้เสียงกลิ่นรส<ศ>วิญญาณเป็นตัวไปเกาะตาหูจมูกลิ้นกาย<ะ>ทีนี้พอวิญญาณตัวนี้เนี่ยเป็นวิญญาณตัวรู้ที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันทำยังไงให้ไปเกิดรูปคะไม่พอตาเปิดตามันก็เห็นรูปไงพอเปิดตาก็เห็นรูปพอเปิดหูก็ได้ยินเสียงยอันนี้คือคือรูปคือไม่ใช่รูป ไม่ใช่รูปในสังขารในขันห้าแต่เป็นเป็นรูปอายตนะภายนอกฮะทีนี้พออวิชชาให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณเห็นรูปแล้วพอเห็นรูปแล้วทึงได้เกิดผัสสะผัสสะผัสสะอ้อตา อ๋ออันนี้ทีนี้ตอนนี้เข้าใจแล้วะพอสัมผัสว่าก็เกิดเวทนาเวทนาเกิดพบเกิดชาติเวทนาอุปาทานเกิดพบเกิดชาติเข้าใจแล้ว哈เพราะว่าเพราะฉะนั้นการเกิดในตอนแรกของอธิปยาตาเนี่ยไม่ใช่เกิดรูปที่เป็นกายยาบแต่เป็นเกิดรูปในเรื่องว่าวิญญาณตาสั่งให้เปิดตาดูเห็นภาพเ อ, อ วิญญาณสั่งหูโสให้ได้ยินเสียงนั่นคือรูปและก็เกิดความไปสัมผัสอพอใจไม่พอใจก็เกิดพบเกิดช<อ>าติกราบอนุโมทนาขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้ววิธียาตัดทบตัดชาติทำยังไงตัดสะพานค่ะอานัา่นสพ า, านตัวไหน ตัดสภานก็คือตัดความอยากทั้งกามา <ะ S 1> <มะ S 2> ตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาถูกต้องพอใจแล้วใช่ไหมสาธุค่ะเราตัดได้ยังยังไม่ได้พยายามอยู่เจ้าค่ะเยือนรู้จักท่านในลายของมหาวิทยาลัยเชียงใหมส่สสนทนาธรรมค่ะจะมีกูรูหลายๆคนที่เป็นลูกศิษย์ท่าน <มะ S 2> ก็จะเอาบทความของท่านมาลงในข้อความคือคือ โยมอยู่ออสเตรเลียแล้วลูกหลานก็อยู่ออสเตรเลียนหมดแล้วพอดีเรียนมาหาวิทยลัยเชียงใหม่ฮะในรุ่นเขาก็จะมีสนทนาธรรมห้องห้องสนทนธรรมจะมีคําสอนของท่านอาจารย์สุชาติอภิชาตุจนโยมมาเมืองไทยแค่นี้บอกบอกรู้กแม่อ่านท่านมาเยอะแล้วนะแม่ต้องไปรู้จักท่านไปกราบท่านสักครั้งหนึ่งแล้วละ่ะค่ะเจ้าค่ะข อ, อ, อพระคุณเจ้าค่ะอคํ า, าถามต่อไปค่ะนมัสการค่ะหลวง่อ อ่าหลวงพ่อคะหนูมีคําถามว่าหนูมีเมื่อสักสภาวะสักอาทิตย์ของอาทิตย์ที่ผ่านมาที่หนูไม่ได้มาขึ้นธรรมะบนเขาเนี่ยหนูมีสภาวะขึ้นขึ้นข้นมาในใจเองว่าหนูจะรู้สึกขึ้นมาว่าเห็นบรรทบุรุษขึ้นมาขึ้งในใจที่ที่ล่วงรับไปแล้ว แล้วคิดว่าวันหนึ่งหนูก็ต้องต้องเป็นแบบนั้นมันเกิดอาการกลัวขึ้นในใจตัวเองหนูอยากถามหลวงพ่อเจ้าค่ะว่าหนูจะมีวิธีแก้ตรงจุดนี้ยังไงเจ้าค่ะกลัวอะไรกลัวตายใช่เจ้าค่ะกลัวตายแล้วถามว่า ก, กลัวแล้วมันไม่ตายหรือเปล่าไม่กลัวแล้วกลัวแล้วมันจะห ย, ยุดความตายได้เหเปล่าไม่ได้แล้วไม่กลัวก็ไม่ดีกว่าเลยมันก็ต้องตายเหมือนกันใช่ไหม กลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายใช่ไหมเจ้าขาแล้วมันก็มีแล้วอย่างไรดีกว่าล่ะไม่กลัวอ่าไม่กลัวก็อย่าไปกลัวนเลมันคิดมันสมันคิดแวบขึ้นมาข้างในใจมันมันบอกว่าพรุ่งนี้ตายอย่างเงี้ยแล้วเราอย่างหนึ่งก็ฟังเทศบาลแล้วไม่เข้าใจเข้าใจแล้วเจ้าขาแต่อยากจะกำชับเขาจะเขาจะสั่ใครตัวที่ตายก็ไม่ใช่เราเจ้าขาเวลามันตายก็เหมือนตอนนี้มันนอนหลับเราตายทุกคืนมันเห็นกลัวเลยใช่ไหม เนี่ยทุก็เวลานอนหลับก็ตายแล้วเนี่ยร่างกายไม่ทําอะไรเพียงแต่หายใจนัแต่เหมือนกับคนตายทุกอย่างสมมุติถ้ามันมีอะไรเข้ามารั่นอย่างเงี้ยเข้ามาในใจให้หนูใช้ปัญญาตัวนี้ที่หลวงพ่อเทศเลยใช่ไหมเ<อ>จ้าค่ะ อ, อนั่นแหละตัวกลางไม่ได้กลัวบอกกูไม่ได้ตายอาันที่ตายไม่ใช่กูขอบพระคเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็ ก, ก, กูกูก็มันก็ตายทุกคืนอยู่แล้วอ ขอบคุณ oh. เ, เจ้าค่ะหนูยั ง, งโงอยู่ก็เลยค uh huh. ำถามโอเคขออีกคําถามเจ้าค่ะคุณพระอาจารย์คือคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปสิบกว่าปีแล้วนะเจ้าค่ะแต่ความที่คุณพ่อยังมีอุปทานยึดติดอยู่กับ บ้านทรัพสมบัตินี่ฮะก็คงคิดว่าคงยังเฝ้าอยู่ที่บ้านที่โยมเปิดให้เขาเช่าที่ภูเก็ตนะฮะตัวพวกโยมก็อยู่ออสเตรเลียกันหมดแล้วกลับกลับไปอยู่นู่นกันหมดแล้วเออคำถามก็คือโยมมีหนทางอย่างไรจะช่วยเช้า ว, ว่าปล่อยปล่อยก็ไม่เชิงจะชี้ทางให้คุณพ่อได้อย่างไรเจ้าค่ะหนึ่ง สิ่งที่โยมคิดอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้ยมจะไปรู้ว่าเป็นความจริงยมคิดแปลงเหมือนคนสมัยก่อนคิดว่าโลกนี้แบนแล้วมันแบนันจริงตามที่เขาคิดหรือเปล่ า, างั้นถ้าตาบดายมยังไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ยมทิ้งความคิดนั้นไปเถอดมันเหล่าโยมเองเ อ, อคนที่เช่าบ้านเนี่ยเขาจะเห็นคุณพ่อเดินออกมาจากห้องกระจกอะไรอย่างเงี้ยตามคุยกันได้หรือเปล่าอ่ะเขาเขาออกมาสั่งคน คนเป็นๆคะว่าอย่าเอาผ้าชิ้นนี้ของเขาไปทิ้งให้ไปเก็บมาอยอแล้วพิสูจนได้เปล่าอยู่ที่ไหนเออแล้วเขาก็เด็กคนนั้นเขาก็บอกหัวหน้าหัวหน้าก็เลยโทรมาบอกโยมโย ม, ยมบอกก็ไปเก็บมาซักให้เขาแล้วก็ไปวางบนมุมของที่ร่มโยมไว้ชื่อคุณพ่อในหละงหะก็เก็บมาให้ครับไม่คิดบ้างว่าเขาอาจจะคิดของเขาไปเองก็ได้หมายถึงคนที่มาพูดเนี่ยก็อาจจะคิดของเขาไปเองก็ได้ เออไม่ไม่ใช่คนเดียวล่ะค่ะรู้สึกจะเจอกันสองสามครั้งแล้วค่ะก็เลยโยมไม่ทราบว่าจะช่วยชี้ทางหรือปลดปล่อยคุณพ่อได้ยังไงเพราะเขาต้องมาถามโยมสิถ้าเขาอยากจะรู้ทางเขาก็ต้องมาถามโยมเองเออโยมหมายถึงโยมได้พยายามทำหน้าที่ของโย ม, ม<ร>ทุกครั้งที่สวดมนต์โยมก็จะแผ่นยัง ไ, ไ, ไ, ไม่มาขอแล้วเราจะไปบอกเขาได้ไงคนเขาไม่มาขอเงินเราจะเอาเงินไปให้เขาหรือเปล่าเออถ้างั้นคำถามก็คือเวลาที่โยมถือศีล อันนี้โยมก็เพิ่งกลับมาจากหลวงพ่อวิริยังธรรมมงคลโยมก็จะแผ่ให้คุณพ่ออย่างนี้ท่านถ้าโยมแค่ตั้งจิตและนึกถึงเห็นหน้าท่านอย่างนี้ท่านจะได้รับได้ไหมคะแผ่อะไรละ่ะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาบุญอะไรละ่ะจากการภาวนาถึงสิน<ด>้นภาวนา เอ Commons, adia, อถือศีลภาวนาก็ถือศีลแปดยุบวัดอย่างเงี้ยค่ะยังยังอันนี้เหมันเพิ่งเริ่มปลูกต้นไม้ค่ะดอกผลยังไม่ออกอย่างเงี owego, í, ้ยเขาพอจะรับได้ไหมค่ะก็ก็แผลแต่ต้นเนยยังไม่ได้มีผลเนี่ยอ๋อค่ะเจ้าค่ะก็อย่างน้อยก็เขายังได้เห็นว่าปลูกต้นไม้ให้เขาอยู่ยังไม่โตหรือยังไงก็อีกเรื่องหนึ่ง กลับนวัฏสการเจ้าค่ะถ้าอยากจะแพ่ผลก็ต้องทําทานดิทําทานนี้เกิดผลทันทีเนี่ยทาบุญทําทานนี่ยมันออกดอกออกผลทันทีพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทําบุญทําทานเวลาจะอุทิศบุญกุศลไม่ได้สอนให้อุทิศบุญกุศลด้วยการนักภาวน า, อ, น า, วนาอันนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อตอนเองไม่ได้ไม่ได้เอาไว้เพื่อจะไปให้คนอื่นเขาอ๋อค่ะแต่พวกเรามัน เอามาคิดกันเองแล้วก็ว่ากันเองไปเอายอมเข้าใจว่าการ ทานศีลภาวนาภาวนาจะได้บุญมากกว่าให้ทานแต่ท่านแต่ท่านชี้ว่าถ้าจะให้ผู้อื่นนี่ทํ า, าทานง่ามันง่า ย, ยางไงมันฟาสต์ฟู้ดไง<า>ซื้อปั๊บก็ได้ปุ๊บเลยแล้วก็ศีลกับภาวนาได้ตัวเองศีลนิยมเป็นอย่างรักษาสามวันแล้วจะเป็นศีลกันไว้อีกแล้วอีกสามร้อยกว่ามันมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นศีลแปดสามวันแต่มันเป็นศีลห้าซะหลายร้อยวันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นศีลเหมือนกันนั่นศีลอยสูนหรือเปล่าล่ะ ก็บางครั้งก็อาจจะมันก็ถึงว่ามันยังไม่สำเร็จเนียค่ะมันนี้ไม่สำเร็จเถึงไม่ได้ยอมอุทศิศบุญด้วยศีลเลยก็ด้วยการภาวนาอาอทศิศบุญด้วยการทำบุญทำทาน อ, อ, อ๋อค่ะใช่ค่ะเขา้าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะแล้วที่หนูพอหนูมีแว็บที่หนูคิด ก่อนที่จะมากะถามหลวงพ่อหนูคิดเสมอว่าเมื่อกลัวตายแล้วต้องทีบทำดีเจ้าค่ะอย่างแล้วก็ทำบุญทาดีอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำได้แต่มันไม่ได้ไปแก้ความกลัวตายโ อ, อ, ตอ้ต้องคิดว่ากูไม่ตายต้องแบบหลวงพ่อพูดะตะกี้นีอที่ตายไม่ใช่กูที่ตายไม่ใช่กูกเจ้าค่ะร่างกายไม่ใช่เราโ อ, อมันไม่ได้กูเจ้าค่ะเราเป็นคนขี่ร่างกายร่างกายเป็นมันมาก เราเป็นคนขี่ม้าม้าตายคนขี่ไม่ได้ตายไปกับมา้า ค, คนขี่ก็ไปหาละม้าตัวใหม่มาขี่ใหม่ไปเกิดใหม่เช่าค่ ะ, อะขอ บ, บคุณสุสาษิเวลาตายก็เหมือนนอนหลับเวลาเกิดก็เหมือนตื่นขึ้นมาใหม่ตื่นขึ้นมาแต่ไม่ได้ได้ร่างกายอันเก่าได้ร่างกายอันใหม่อ่ ะ, อะคิดยังไง คำถามจากข้างบนนี้นะครับคำถามแรกแม่ผมพาผมเข้าวัดฟังธรรมและทําทานมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กแม่สอนให้มีเมตตาและรักษาศีลห้าแต่ในบางครั้งผมก็เผลอโกหกแม่เพื่อให้แม่สบายใจจะบาปมากไหมครับก็บาปถ้ามันโกหกมันก็บา ป, ม, บาปมันก็มากน้อยก็อยู่ที่ว่ามันหนักหรือมันเบาโกหกแบบหนักหรือโกหกแบบเบาคือโทษ ที่เกิดจากการโกหกของเรามันหนักหรือเบามันก็บาปมันก็หนักเบาตามโทษที่เราสร้างขึ้นมาให้แก่ผู้อื่นคำถามที่สองวันนี้ครบรอบสี่ปีที่คุณตาจากไปแม่พามาฟังธรรมและถวายสังฆทานผมอยากทราบว่าเมื่อระลึกนึกถึงคุณตาคุณตาจะได้รับบุญนี้ไหมครับและเวลาที่ผมนึกถึงคุณตาคุณตาจะรู้ไหมครับว่าผมคิดถึง ก็แล้วแต่ว่าคุณตามารอฟังคำคิดของเราหรือเปล่าถ้าคุณตาเขาไม่มารอเขาก็ไม่รู้คำถามจากผู้ฝากถามข้างบนนี้นะครับไม่นานมานี้ผมได้นั่งภาวนาท่องบริกรรมพุทโธได้ไม่นานเกิดทุกข์จากเวทนาปกติจะต้องเลิกนั่งแล้วเพราะนั่งท่องพุทโธอย่างไรก็ไม่สงบ อยากจะให้จิตสงบครับแต่ครั้งนี้เมื่อเกิดทุกขเวทนาขึ้นผมหยุดพุดโทโธมาดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ความว่าจิตเราไปยึดกายเมื่อเกิดเวทนาเจ็บมันก็เกิดทุกข์ขึ้นทีนี้ผมระลึกได้จากที่ฟังธรรมว่ากายกับจิตไม่ใช่อันเดียวกันอย่างนี้ถ้าแยกมันได้แล้วก็ไม่ทุกข์ ตั้งคำถามต่อไปว่าผมจะแยกจิตกับกายได้อย่างไรจากนั้นบริกรรมกายจิตเวทนาสักแต่ว่าไปเรื่อยๆจิตอยู่ๆเวทนาก็หายไปพร้อมกับตัวเบาความคิดไม่มีอารมณ์ไม่มีคำบริกรรมไม่มีเวทนาที่ผมนั่งอดทนอยู่มันหายไปไหนครับ คอยนั่งมองเวทนาให้มันเกิดมันก็ไม่เกิดจนได้ถอนสมาธิเสียก่อนพระอาจารย์มีคำแนะนำให้ผมปฏิบัติอย่างไรต่อไปบ้างครับก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปก็ก็ใช้ได้แล้วถ้าเราไม่ไปวุ่นวายไปยุ่งกับร่างกายมันเจ็บมันปวดก็ปล่อยมันเจ็บปวดไปมันหายก็ปล่อยมันหายไปก็เท่านั้นเองเราก็คนคนกันนะเขาเจ็บเราไม่ต้องไปเจ็บแทนเขา ร่างกายเจ็บใจไม่ต้องไปเจ็บแทนร่างกายเห็นต่างคนต่างอยู่มีความหลงมันชอบเอาเอาดึงใจไปมัดไว้กับร่างกายพอร่างกายเจ็บใจก็เจ็บไปด้วยมันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราก็ต้องดึงใจออกจากร่างกายปล่อยให้ร่างกายเจ็บใจก็ให้รู้เฉยๆไปมันก็จะไม่เจ็บด้วยคำถามอีกเหรอเดี๋ยวเอาไป คุณมัชการอีกรอบหนึ่งค่ะเอ่อโยมเคยปฏิบัติอยู่ช่วงนั้นปฏิบัติค่อนข้างเคร่งหน่อยก็เลยโยมจะเรียนถามท่านว่าถ้าอยู่ในภาวะนี้แล้วจะทำยังไงต่อไปก็คือว่ากาหนดเดินจงกรมกันนั่งสมาธิเนี่ย เป็นเป็นเขาเรียกเป็นเตียงเตียงอะนะคะครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงเดินโยงกลมสี่สิ้านาทีนั่งสี่สิ้านาทีมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะมันมีความรู้สึกว่าตัวมันหนักขึ้นหนักขึ้นก็กําหนดรู้นะคะก็พิจารณาว่าไอ้กายมันหนักขึ้นอ๋อเนี่ยนะเขาบอกว่ามันแข็งเป็นหินเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ก, ก็ก็ดูมันไปฮะแล้วอยู่ยมันหลุดวูบไปเลยค่ะตอนที่หลุดวูบ ก็มีความรู้สึกจิตมันบอกว่าอ้ออย่างนี้เองที่เขาบอกว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีร่างกายเพราะว่าอายตนะมันปิดหมดเลยอไอท้ที่ตอนนั้นอยู่ในถ้ำที่พังงา ไอ้ที่เสียงข้างล่างที่เขาฉลองปีใหม่กันไอ้ตอนหัวค่ําที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิในช่วงแรกๆเนี่ยเรายังนึกอยู่ในใจเสียงหนอเสียงหนอมันดังรบกวนหนองานการชาติเสียงหนอเสียงหนออะไรเงี้ยนะคะพอตอนนั่งสมาธิตอนนั้นนะ่ะมันทวารมันปิดหมดเลยก็ไม่ได้ยีนนะฮะเยิมก็นั่งนั่ง รู้สึกตัวนะฮะก็นั่งนั่งมองในความรู้สึกก็นั่งมองอยู่นะฮะมันก็เพียงแค่เพียงความสว่างสงบแล้วก็เย็นโยมไม่ทราบว่าโยมนั่งได้นานแค่อยู่ตรงตรงนั้นนานแค่ไหนแล้วก็ออกมายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแล้วก็พอออกมาก็กราบพระแล้วขอออกจากสมาธิแล้วก็ไปเข้าไปพักพักไปนอนก็นอนไม่เท่าไหร่ก็ตีสี่ก็ตื่นห ม, ม่โยมไม่ได้ดูเวลาว่าอยู่ในภาวะนั้นนานแค่ไหน แต่คำถามที่โยมอยากจะเรียนถามท่านก็คือว่ามันเข้าได้ครั้งเดียวแล้วก็พยายามจะเข้าไปอีกก็ไม่ไม่เข้าแล้วค่ะพรายิ่งตั้งใจยิ่งไม่ไปใหญ่เลยแต่คำถามก็คือว่าถ้าสมมุติโยมอยู่ในถ้าบังเอิญคราวหน้าที่โยมเข้าไปในสภาวะนั้นได้เนี่ยโยมจะถอนตัวออกมาพิจารณาไตรลักษณ์ได้ยังไงนะคะไม่ใช่เวลาจะถอนเนี่ยเข้าใจ ตอนนี้ก็พิจารณาตายลักได้ตอนตอนนี้ก็พิจารณาได้อ๋อหมายถึงว่าตอนที่ไม่จะเป็นต้องเข้าสมาธิลึกขนาดนั้นไม่ต้องเกี่ยวสมาธิเลยเวลาตายลักนี่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรเห็นเงินมาแล้วก็บอกเดียวมันก็ไปก็พิจารณาได้แล้วแต่แต่ถ้าสมมุติว่าเกิดเข้าไปอยู่ในภาวะนั้นอีกโยมควรทําอย่างไรต่อไปเชียวคะให้ดูมันไปให้รู้มันไปเฉยๆจนถึงที่สุดของมันเองแล้วเขาก็ออกของเขาเอง ตอนนั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่จะไปใช้ไตลกไตลับพิจนาอะไรแล้วที่มีพระบางองค์ท่านแนะว่าเดี๋ยวจะไปติดสงบ<ม>จะไปอยู่ตรงนั้นนานติดสงบแล้วก็ไม่ได้ปีปัตนาอะไรเนี่ยอ๋อให้มันติดก่อนเนยังไม่ติดยังไม่มีอะไระไปกลัวติดสงบนะแม่ ก, ก, ก็ก็รู้สึกครั้งหนึ่งแล้วก็อ่านอ่านฟังฟังไปเรื่อยๆก็เลยคิดว่าเอ๊ะ<ม>เราควรหาทางหนีทีไ่ว่าถ้าเกิดคราวหน้าเราจะ ถอตัวออกมาพิจารณาไตรลักษณ์อะไรยังไงไหมคือพิจารณาได้ตลอดเวลาเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิค่ะไม่พิจารณากันเองเเมื่อกี้ตอนมาตั้งแต่ตอนสิบเอ็ดโมงพอทราบ ว, ว่าท่านจะเทศบ่ายสองก็ดีใจพระตั้งจิตนึกอยู่ในใจว่าเพียงจะไปวัดยานสังวรถ้ามีบุญก็จะได้เจอท่านแต่ถ้าท่านรับนิมนต์หรือท่านไปต่างจังหวัดหรือท่านไปต่างประเทศก็จะถือว่าโอกาส และเวลายังมาไม่ถึงก็ก็แต่ทำใจพอมาสิบเอ็ดโมงทราบว่าวันนี้ท่านจะเทศบนเขาก็นึกในใจโอ้มนโนมยิทธิตนั่งจิตเอาไว้ก็ ได้ไปเจอท่านจริงๆก็เลยไปเดินวิหารเสียนแล้วก็ไปหาอะไรทานคะก็เลยทําแว่นตาที่คุณลูกสาวซื้อให้ทิ้งไว้ตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็กลับขับรถกลับไปดูที่วิหารเสียนก็นึกอยู่ในใจว่าเออของได้มามันก็มีแตกหักสูญหายไปอย่างนั้นไ ม, ไม่ไม่ต้องไปเสียใจแล้วมันมากมายเพราะได้พยายามกลับไปหาแล้วไม่เจอก็คือไม่เจอนั่นแหละวิปัสสนานั่นแหละพอถึงตายรักเมื่อไหร่ก็คาลั้นวิถีวางได้คะไม่ยึดไม่ติดมั น, น, นสาธุเจ้าค่ะ ท่านหายเมื่อสักครู่ท่านแนะนําว่าถ้าเกิดตกผวังเข้าไปอย่างนั้นอีกก็ให้อยู่อย่างนั้นไปไม่ต้องไปหาทางที่จะออกมาพิจารณาวิปัสนาไม่ต้องออกมาเองค่ะมันออกมาให้มันออกมาเองจะค่ะเวลามันก็ออกมาเองค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็พิจารณาตรลักษ์ไปเรื่อยๆอะไรที่เกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตก็พิจารณาตรายักษณ์เข้าไปใช่สาธุค่ะเอาคําสามสุดท้ายนะมึง คำถามจากคุณสีธิชัยเราทำงานอยู่ในที่ทำงานที่มีผู้ไม่ตั้งใจทำงานไม่ใส่ใจซึ่งงานของทุกคนย่อมมีส่วนที่เกี่ยวโยงถึงกันเราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบกระทั่งกันเพราะในเมื่อบอกเขาก็ไม่ยอมทำถ้าเราทำเองเขาก็ยิ่งไม่คิดว่าเป็นหน้าที่ของเขาถ้าเราทำมากจิตใจของเราก็ขุ่นมัวเพราะเรารู้สึกว่าเราเหนื่อย แต่คนประเภทนี้กลับนั่งว่างนั่งคุยอยู่สบายๆเพราะผมกำลังฝึกปฏิบัติธรรมเข้าใจว่าเวลาทำงานก็ควรต้องฝึกด้วยครับทำให้รู้สึกวางจิตได้ยากกราบขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับก็เราทำาานที่ของเราไปก็แล้วกันเราจะบกพร่องในหน้าที่ของเราส่วนคนอื่นเขาจะบกพร่องไม่บกพร่องก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ ที่เราเครียดก็เพราะเราอยากจะไปบังคับเขาไปสั่งเขาไปให้ให้เขาทําหน้าที่ของเขาเขาไม่ทําก็เรื่องของเขาเราไม่ได้เป็นผู้จัดการเราไม่ได้เป็นหัวหน้าถ้าเราเป็นหัวหน้าเราก็ไล่เขาออกไปก็เท่านั้นถ้าเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปจัดการกับเขาเราก็ไม่ต้องไปสนใจเขาเราก็ทําส่วนของเราไปก็เท่านั้นเองนะ คิดว่าเราต้องรู้จักปล่อยวางอย่าไปเอาเรื่องคนอื่นมาแบกเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เราควบคุมบังคับตัวเราดีกว่าให้เราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์แล้วถ้าคิดว่าถ้าเราต้องทำมากหน่อยก็คิดว่าเป็นการทำบุญไปก็แล้วกันเราจะได้มีความสุขว่าวันนี้เรากำไรเราได้ทำ เกิดหน้าที่ของเรามากกว่าที่เราต้องทําแต่เราคิดว่าเป็นการทําบุญเราก็จะได้เกิดความสุขใจขึ้นมาเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงเอาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด